เราไปปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันอยู่ที่ั้นกัน <c oughs> ก่อนจะปฏิบัติก็ต้องเอาคำตั้งสัจจะธิษฐานก่อนเพื่อเป็นการปฏิบัติบูบชาพระพุทธจเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มันดาบิดาของเราถึงครูบาอาจารย์ของเราไม่เสียหายดอก กจะอธิษฐานแล้วก็ผูกกิตผูกใจเจ้าของไว้กับสัจจานี่แหละว่าจะนั่งเท่านั้นชั่วโมงเท่านี้ชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านี้นาทีพอให้มีสัจจะคนมีสัตย จ, จึงจะมีศีลสัจจะก็ไม่มีศีลสัจจ์ต่อเจ้าของนั่นแหละจะอธิษฐานนี่แหละ สัจจะตัวนี้แหละมันจะมาผูกกิดผูกใจของเราเอาไว้ให้กิเลสสั่งว่า <c oughs> ให้หยุดเราก็จะบวชอ้ยยังไม่ถึงสัจจะไม่ถึงสัจจะอาจจะนั่งเท่านั้นเท่านี้เจ้วเธอนะีทำไมมาสั่งแล้วล่ะถ้าเราไม่มีสัจก็ไม่มีศีลแหละสัจก็ไม่มีศีล คนไม่มีศีลก็เท่ากับไม่มีความหมายอะไรแล้วเกิดมาไม่มีศีลตั่งสัจจะนี่แหละเป็นเครื่องผูกกิจผูกใจเขาจะทําอะไรก็ต้องสั่งสัจจะอธิษฐานหมดนั่นแหละถึงได้รับความสําเร็จถ้าไม่มีสัจจะปวดแฉ่งปวดฐานีนิดหน่อยๆมันก็อยากออกนี้ไปแล้วกิเลสก็สั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดพวกนี้ถึงทําก็ได้ เดียวยวๆๆยวปวดแช่งปวดขาหลายถ้ามันเป็นโรคงั้นอย่างนี้มันเจ็บป่วยมากใครจะดูแลเราเ็มันจะปุงไปนะไปปุงไปแต่งให้เราหยุดทมออกจากสมาธิออกจากทางเดินจมจงกรมไปก็เรียกว่าเราไม่มีศีลยเถึงปูดปดโอหกหลอกลวงเจ้าของ มันไม่บาปเนากโกหกเจ้าของคนอื่นเขาไม่รู้ด้วยดอกว่ายอย่างนั้นนะบาปไม่บาปก็ลองดูนะเข้าใจไม่ได้โกหกคนอื่นเนาะโกหกเจ้าของนี่แหละนี่แหละจะทำให้เราได้รับความสำเร็จอยู่ในบาลมีสิบทั์ก็มีสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐาน ถ้าไม่มีสัจจะไม่มีอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้ความสําเร็จก็ไม่เกิดคนไม่มีศีลแล้วจะเอาอะไระเป็นที่พึ่งเราเกิดมาก็มาพึ่งศีลพึ่งธรรมนี่เท่านั้นถ้าไม่มีที่พึ่งไปพึ่งไหนเกิดที่นั่นที่นี่พออาศัยภูมิสติปัญญาเนี่ยภูมิศีลภูมิธรรมนี่เนะคนไม่มีศีลมันก็ไป ได้ไม่ได้แล้วไม่ใช่โกหกคนอื่นนะโกหกเจ้าของนี่แหละให้เข้าใจอันเนี้ยที่ทำมามันได้สำเร็จอยู่เนี่ยเพราะตั้งสัจจาะนะตั้งแต่ไปเข้านาดนะตั้งสัจจามาถ้าเราจิตไม่สงบดวงตาไม่เห็นทำแล้วเราจะไม่หยุดเราจะนั่ง เราจะใช้วิธีปฏิบัติอยู่ได้สิบห้าชั่วโม ง, นอ น, น, งนอนตั้งแต่ไม้นอนตีสองตื่นตีสี่ต้องตั้งสัจจะเอาวไว้อย่างนี้ตั้งวันไม่ให้หลังถูกเพื่อนอีกเป็นเด็ดขาดถ้าหลังถูกเพื่อนก็ซื้อ่าเราตายแล้วตายอะไรล่ะตายจากศีลจากธรรมนี่เนาะตายจากสัจจะนี่เนาะเคยได้ยินไหมล่ะ ลูกเสือเคยไปฝึกไหมเสียชีพอย่าเสียสัตว์เอาเขียนติดไว้หน้าเขยมขัดลูกเสือตายยังดนีกว่าเสือเสียสัตว์ที่ได้มาสำเร็จอยู่ได้มาพูดกับเล่าท่านทั้งหลายอยู่กับเพราะสัจจะอธิฐานนี่แหล ะ, ะบารามีอันนี้แหล ะ, ะนอนตีสองตื่นตีสี่ ปฏิบัติปฏิบัติอยู่จนอย่างนี้จนรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายึงจะหยุดออมมาถึงขนาดนี้แล้วเราไม่มีสัจจะทําย่อๆแย่ ๆ, ๆไม่กะหารเด็ดเดี่ยวเพราว่าตั้งแต่จะตายมันก็ไม่ได้ภาวนาเอาตายเป็นเดิมพันไม่ใช่ถ้าได้ข่าเห็นแล้ว ูแก่งแทงตลอดในขันหันแล้วโอ้ยอะไรอะไรในโลกนี้จะมาเปรียบได้ดัะนั้นให้เราทั้งหลายนัะนเราท่านทั้งหลายนั้ตั้งสัจจะเราจะทำอะไรอยู่ทำอะไรต้องให้มีสัจจะคนไม่มีสัตว์ก็ไม่มีศีลเชีวิตยังดีกว่าตายยังดีกว่าเสียสัตว์นี่แหละมันถึงจะเด็ดเดี่ยวการปฏิบัตินะันะไม่ใช่จมาเยาะยาะแย่อ ๆ, ยอ ๆ, ยอๆอยู่ ให้มันหมดวัคืนหมดวันไปเฉยๆตั้งหน้าตั้งตาทําตามสัจจะเจ้ของจริงๆแต่นั้นเรากตั้งสัจจะนี่ได้เกียร ป, ปีปีที่เปลียนถึงหยุดนะไม่ใช่ของเล่นเล่นนะหลังแตะพื้นพิงเสาไม่ได้เป็นเด็กขาดถือว่านอนถ้าเสียสัจจะก็ให้ถือว่าเราตายตายใจไม่ขาดใจจากศีลจากธรรม ชิปหายเน่ยคนไม่มีศีลไม่มีธรรมตายจากคุณงามความดีตายจากศีลจากธรรมนะสัจจยนี่นะมันจะผูกจิตผูกใจของเราให้ได้รับความสาเร็จคนไม่มีสัจจะโวยทำอะไรก็ไม่สาเร็จดอกทาไปนิดๆหน่อยๆก็เปลี่ยนใจกิเลสก็ดึงออกจากทางนี้ไปก็บังคับเราได้ ถ้าเราตั้งสัจจะแล้วใครจะมาบังคับเราไม่ได้เป็นเด็ดขาดภาษากิเลสไปเกิงขนาดไหนไม่นอนให้พิซซ่อย่างมันจะทำอะไรถ้าเด็ดเดียวอย่างนี้กิเลสมันก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เราแล้วความสาเร็จก็เกิดขึ้นฉะนั้นการทำอะไรก็ให้ตั้งสัจจะอย่างที่พารมนี่แหละตั้งสัจจะอธิษฐานไว้แล้วก็ผูกกิจผูกใจเราไว้ ตั้งประมาณเท่านั้นเท่านี้ต้าไม่ถึงไม่ครบอย่าไปลุกออกจากที่เป็นเด็ดขาดหัวเด็ดตีนขาดเลยไม่ต้องไปกลัวมันดอกไม่ตายหนอกลมหายใจมีอยู่มรค น, นิพพานมีอยู่ทัน่นทั่ว ท, ท, ทุกตัวคนมีอยู่ทัน่นทั่วทุกตัวสัตว์แต่เราไม่ขยันค้นคว้าหาเฉยเฉยมาพูดกันว่ามร ผลนิพพานหมดการหมดสมัยแล้วนั่นมันไม่หมดอาการลิโกไม่จํากัดการเวลาไม่จํากัดสถานที่ถ้ามันหมดพระพุทธองค์จะตัดอากาลิโกไว้ยังไงไวทําไมสันทิติโกน่นนะผู้ปฏิบัติพึงรู้เองเห็นเองปฏิบัติลงที่กายอย่างของวาาอ่าใจอย่างของใจอย่างของนี่นะนั่งอยู่นี่แหละปฏิบัติอยู่นี่ เห็นอะไรเห็นเองเห็นจิตสงบก็ผู้ปฏิบัตินี่นะเห็นจิตเจ้าของสงบดูว่าจิตเจ้าของสงบผู้ปฏิบัติใส่ลมหายใจนี่จึงเห็นลมหายใจเข้าออกอกาลิโกไม่มีการเมลาดูเวลาไหนก็ได้ปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เนี่ยมักมักคือทางมักโคมักคามักขีคือทางทางดําเนินออกจากทุกข์มักมีองค์เปด มันจะหมดทำไมมันจะหมดไปไหนปฏิบัตินี่แหละเอาเลาเดินเอาอะไรเดินเอาอะไรเดินเอาะไรเดินเอาจิตนี่แหละมรค้ามรโคมรคีทางเดินของจิตทางเดินของใจทางเดินของเราเนี่นะเรียกว่ามรคมีองแปรตย่อลงมาเหลืออยู่ศีลสมาธิปัญญานี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนศีลนศนีลของกายศีลของวาจาศีลของใจ ศีนย่น ย, อยอ่อลงมาเหลือเหลืออยู่ที่ใจแล้วนะั้นใจนี่แหละสั่งกายไปทำสั่งคำไปพูดบาปทุจริตได้รักษาใจเราเดียวนะศีนหมายถึงใจปกตินะั่นสมาธิก็เหมือนถึงจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นปัญญาคือใจรอบรู้ในกองสังขารเนี่ยมันจะหมดที่ไหนศีนก็หมายถึงใจของเราเนี่ยแหละสมาธิก็หมายถึงใจนี่แหละ ปัญญาก็หมายถึงใจนี่นะใจมันหมดแล้วหรือใจข้องคนนะ่ะลมหายใจมีอยู่ใจมันอยู่ที่ลมนะนะ่ะลมหายใจนะนะ่ะมันหมดแล้วหรอทำไมถึงว่าหมดการหมดสมัยแล้วไม่มีหรอว่างั้นนะถ้าใครปฏิบัติลงใส่มรรคแปดพันธุ์นิพาน์ก็ไม่ว่างเว้นจากโลกไปละถ้ามีคนปฏิบัติอยู่ ถ้าไม่มีคนปฏิบัติอยู่มันยังไม่มีพระนิพพานนะ่นนะให้พากันเข้าใจอย่างนี้นะมันมีอยู่ทั่วทั่วทุกตัวคนนี่นะพระนิพพานนะแต่เราไม่ปฏิบัติไม่ค้นคว้าไม่เสวงหาพระนิพพานเฉยๆ อ, อย่างศีล น, นี่ศีลก็ศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจเท่านี้ที่เราสวดอยู่เนะี่ยสัมมากัมมันโตสัมมา วาจาสัมมารกรรมันโตสัมมาอาชิโวนี่การงานชอบคือไม่ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมไม่เอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรมก็ศีลแล้วเนี่ยวาจใชอบก็ไม่พูดปดไม่ พ, พูดส่อเสียดพูดคําหยาพูดพ้อยเจ้อเลวไหลไร้สาร ะ, ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนอาชีพชอบอาชีพของเราอาชีพสุจริตไม่ไปขายมา้าขายสุราขาย ยาเมานะี่ยนะไม่ไปขายเครื่องมือดักสัตว์ไม่ไปขายคนขายฆ่าสัตว์ขายไปขายยาพิษไปขายไปไปถ้าขายของผิดกฎหมายนะั่นแหละทั้งหมดนะั่นแหละเรียกว่าอาชีพชอบนี่แหละมันไม่มีอะไรอาชีพของภาก็คือต้องบินทบาดเลี้ยงชีพเจ้าของอาชีพชอบอะ่ะ อาชีพยอย่างอื่นไม่มีหากินด้วยปีแข่งอื่นขึ้นมาต้องไปบินธบัตแล้วผะาถ้าไม่บินธบาตไม่ฉันนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยนี่แหละอาชีพของผ่าอาชีพชอบไม่ใช่ไปสร้างอันนั้นไปทำอันนี้อันนั้นมันโลกเขาดอกทำมาอย่าไปแข่งกับโลกเขาหน้าที่ของเราคือบินทบาตแล้วกับ ไปภาวนาเท่านั้นพระอาชีพชอบโยมมาปฏิบัติอยู่นี่เหมือนกันหน้าที่เขารู้จากหน้าที่ยูของถึงขึ้นก็มีการทําปัดกวาดเช็ดถูบทากับปีจังหันเท่าที่มีเท่าที่จะทําได้อาชีพไม่ใช่ว่าไปหาทำอย่างอื่นนี่แล้วไม่ไม่อยู่ที่อื่นมรักท่านศีลศีลศีลของกายศีลของวายใจศีลของใจ ศีนก็หมายถึงกายดีวาจาดีใจดีเท่านี้ศีนสัมบลมกายสัมบลมวาจาสัมบลมใจเท่านี้กายมันหมดแล้วเหรอวาจามันหมดแล้วหรือใจมันหมดแล้วหรือศีนเนี่ยนี่แหละศีลนท่านต้นก็เลือกต้องเอาศีลศีนนี่แหละมันเป็นที่ตั้งที่เกิดของกันและกัธรรมทั้งหลาย ทำทั้งหลายจะมาเกิดจากศีลศีลจึงเปรียบเสมือนภาา พ, พื้นพื้นแผ่นดิ น, น, นเป็นที่เกิดที่ตั้งของต้นไม้ภูเขาโลกาสัตว์สาวาสิ่งทั้งหลายเกิดจากศีลทำทั้งหลายก็เกิดจากใจศีล น, นี่แหละจึงเป็นเปรียบเสมือนมารดาศีล น, นี่แหละเป็นที่เกิดของสมาธิปัญญา ถ้าไม่มีศีลจะเอาไหนไว้เกิดศีลก็คือใจในี่ใจนี่แหละทำให้เกิดสันติสมาธิปัญญาใจไม่ดีมันก็ไม่เกิดนะสมาธิใจไม่ดีฉะนั้นผู้มาปฏิบัติต้องมาปฏิบัติกายยของให้ดีวาจาให้ดีใจให้ดีกายให้ประเสริฐวาจาประเสริฐใจประเสริฐก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติ ด, ดี ปฏิบัติดีกายดีวาจาดีใจดีก็ได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนมรรคขั้นต้นนี่ขั้นศีลเนี่ ย, นนยมันหมดแล้วเหรอฮะหมดกันหมดสมัยไม่หมดแล้วไม่ปฏิบัติถ้าใครปฏิบัติลงในมรรคมีองแปรอยู่เนี่ยพระนิพพานยังมีอยู่เหมือนเดิมอะ กายดีวาจชาดีกายสะอาดวาจชาสะอาดใจสะอาดกายประเสริฐวาจชาประเสริฐใจประเสริฐเราก็เรียกว่าอริยบุคคลผู้บุคลบคลผู้ประเสริฐบุคคลผู้ประเสริฐก็ปิดอบายภูมิให้เจ้าของได้เท่านั้นหันหลังให้อบายภูมิหันหน้าเข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าเปิดประตูโลกุตตะละได้อย่างนี้ก็เรียกว่านิยเตโอบุคคลบุคคลผู้เที่ยงตรงต่อสุขคติ หรือเรียกตัวเองว่าสังคโคนี่แหละสงสงสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาของพระพุทธเจ้าสังคโคแปลว่าหมูเดียวกันหมูที่มีกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาดด้วยกันหมูที่กายดีวาจาดีใจดีด้วยกันไม่เรียกว่าพระเนนเทนชีตายของเราดีวายจาดีใจดีด้วยกันก็เรียกว่าหมูเดียวกัน เป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันไม่มาบวชก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นได้ให้เข้าใจอย่างนี้เมื่อกายดีวาจาดีใจดีโอ้ยทำอะไรมันก็ได้ดอกใช่ไหไปทำงานอยู่ทางบ้านก็ร่ำก็รวยถ้าเป็นคนมีกายดีวาจาดีใจดีพระพุทธองค์จึงสรุปไว้ท้ายสิทธิวสีเลนะสุขติงญนตินะ ความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนะั่นอิเลนะโภคสัมปดานะั่นอิเลนะโภพคสัมปทาทัศสมบัติก็ได้มาจากศีลนี่แหละถ้าศีลไม่ดีมันไม่ได้นะกายไม่ดีวายจ้าไม่ดีใจไม่ดีจะไปหาสมบัติมาจากไหนก็เอากายนี่แหละไปหาเอาวายจายนี่แหละไปพูดเอาใจนี่แหละสั่งกายไปทํางาน มันจึงได้ทรัพย์สมบัติมาอมสีเลนะที่นิพุติงยันตินั้นป่นิพานก็ไปจากศีนั่นแหละจึงเรียกว่าศีนี่แหละคือยอดคือรากเงาคือต้นคือต้นต้นต้นของมันก็คือศีนต้นของมรรคผลนิพา น, น, นนะก็คือศีน อย่าพากันเหยียบต้นกินผลถ้าต้นไม่ดีผลไม่เกิดดอกศินไม่ดีสมาธิปัญญามันไม่เกิดง่ายๆหรอกต้องอาศัยศีลพอแม่ครูบาอาจารย์ จ, จึงสั่งไม่อย่าเหยียบต้นกินผลแม้ผลลไม้ของเราก็เหมือนกันถ้าไม่บำรุงต้นมันจะผลมันจะมาเกิดมาจากไหนละ่ะปลูกแล้วก็ต้องลดน้ําพวนดินใส่ปุ๋ยบำรุงรักษาไม่ให้สัตว์ ไม่ให้อะไรมารักษามาทําลายมันบำรุงต้นมันให้ดีผลมันไม่ต้องถามหารอกส่วนมากเราท่านทั้งหลายนี่เหยียบต้นมันนะไปเอาสมาธิเอาปัญญานะไปกินผลมันมันไม่ได้กินให้พระกันเข้าใจอย่าเหยียบต้นสินดีนี่อยู่ไหนก็สุกนั่นนะ พระเนนเทนชีถ้ามีศีลนะเขาก็อยากมาจต่ายญาติโยมนะเขาก็อยากมาอยากมากินมาทานร่วมอย่างมากินมาทานกับครูบาอาจารย์ผู้มีศีลมีธรรมอ่วยทุกง่ามง่ามอยู่ใส่มันกขมา่าให้ได้ไปซื้ อ, อยากดอกผลมันน่ะ ถ้าพระมีศีลยมมีศีลผู้มาอยู่นี่มีศีลกันพิษกันป่วงเป้งเป้งเป็นแป้งขอลอ ย, ชยแชร์ไอสิยังไม่เหยียบนั่นแหละต้นมันไม่ดีให้เข้าใจอย่างนี้ผลมันไม่เกิดดอกอย่าเหยียบต้นกินผลให้บำรุงต้นมันรักษาต้นมันให้ดี ไปอะไรก็ดีหมดนั่นน่ะท่านจึงว่าสีเลนะสุขติิงยันตินั่นความสุขทั้งหลายก็ไปจากศีลนี่แหละนั่นสีเลนะโภคาซัมปดานั่นโพคาสมบัติทั้งหลายก็ได้ไปจากศีลนี่แหละนั่นสีเลานะนิพุติงยันตินั่นพระนิพานก็ไปจากศีลนี่แหละคนไม่มีศีลนั่นนะมันไปไม่ได้รอกพระนิพานนะั่นนะมีแต่เปน็นนรกจกเปรตนั่นล่ะ ไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอยู่เอากายไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมอยู่มีแต่ไปเป็นสัตว์นโลกเป็นเปรต น, น, นะให้เข้าใจนี่ละศีล ย, ยังมีอยู่เหมือนเดิมศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจศีล ส, สังวรนะนะสังวรแปลว่าสำงรวมละวังระวังอะไรละวังกายอย่าให้กระทบกระทั่งกัน อย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามสำรวมวาจาหูปากเอาไว้เวลาทำอะไรอยู่ก็ให้สำรวมและวังสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่าพูดออกไปให้พูดอยู่ในใจว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่นั่นนะสำรวมใจอย่าคิดไปเนี่ยในแง่บาปอากุศลถ้าคิดไปแล้วบาปอากุศลที่เกิดขึ้นก็จะ จะเลิญงอกงามท่านว่านะั่นนะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดที่เกิดอยู่แล้วก็จะเริญงอกงามขึ้นกิเลสนะั่นนะบาปอะกุศลนทั้งหลายนะั่นท่านจึงให้สํารวมรวมกายสํารวมวาจาสํารวมใจให้ดีเรียกว่าศีล ส, สังวรท่านศีลนนะ่ะต่อไปก็มานั่งสมาธินี่แหละนั่งอยู่ในลาสมาธิ มาที่ก็คือจิตตั้งมั่นใจตั้งมั่นถ้าจิตเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิกายตรงดอกมองไปก็รู้ว่าใครสงบไม่สงบอายุยุกยิบไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนอะไรบอกเอาตายเป็นเดิมพันนะนะยุกยิกยิบยุกยิบยิไม่รู้ว่าคันอะไรไม่่าอะไรนะต่อ มาค่ายกิเลสเนี่ยความคันเนี่ยความปวดแสบปวดขาเน่ยคือกิเลสสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรมห้านัน่นนิวรณ์ธรรมห้าก็คือกามวิชันท่าความคิดไปเรื่องกามนั่นอีเรื่องในกามอยู่นั่นนะจิตก็ท่องเที่ยวไปในกามกามมาวิาจารจิตจิตจอนไปในอยู่ในกามมานั่งแต่นั่งแต่กายเจ้าของเฉย ยังนึกไปถึงกามอยู่อยากไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่หดหอดเฮียนหอดซานอยู่หดหดลูกหอดหลานอยู่นั่นแหละคือเสบกามอ่อจิตจิตส่งไปถึงอะไรนั่นแหละเรียกว่าจิตท่องเที่ยวอยู่ในกามกามมาว่าจอนจิตยังจอนไปอยู่ในกามอยู่ยังยินดีพอใจในกามอยู่กามมาชันทะพยาบาทนั่น คิดโกรธคิดหวงคิดหึงอันนั้นอันนี้อยู่อินน้มิถะนั่งไปในนิดนิดหน่อยหน่อยก็คอพับหลับไปนั่นน่ะไม่ใช่สมาธินั่นน่ะนะต้องแก้เจ้าของนั่งคอพับหลับไปบางคนเสียงโกลนกเกิดขึ้นมาหมูหลายๆเขาก็ได้ยินทำลายหน่อพุทโธของหมูตัวนี้จิตเขากาลังสงบอยู่ จะคล้องมานั่งคอพับหลับไปแล้วก็กอนก็ก็ให้เขาได้ยินอย่กันนะฮะยินเนี่ยยินนิมิตทาจับเนี่ยกันนั่งไปมันก็ไม่สงบดอกนะนี่แหละนิวรณ์ธรํมห่านิยินนะมิตท่ า, า, า, ทาอุทธะจักกูตุจักวิกิกิจฉ า, จ า, จานั่งไปนั่งมาก็ความคิดพุ่งส่านเกิดขึ้นแหละสมาทิสให้รู้ว่าคิดอะไรพอยามานั่งดู ตั้งแต่นั่งคุยกันอยู่ข้างนอกไม่คิดดอกนั่งอยู่ข้างนอกนะพอจะมาให้เข้าสมาธิเท่านั้นนลยมันปุ๊งไปสรารพัดอย่างแต่พักพักพักพุพ้งส่านไปเอาแวก็ขามาก็โลเลสงสัยวิจิจิชานี่แหละพูดที่จิตสงบแต่ได้ชานขึ้นมาก็ต้องดับนี่วันทำห้าลง ก็ได้ปฐมฌานขึ้นมาเท่านั้นแต่ว่าสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางอันได้แก่นิวรณ์ธรรมหออกจากกิจจากใจเราได้ชั่วขณะสมาธิขมไว้พวกนี้แหละบางทีมันจะเกิดสําแดงแปลงเพศขึ้นมาเป็นมานท่านเรียกว่ามานความอยากได้สมาธิก็เรียกว่ากิเลสมานถ้าไม่อยากได้ย่านั่งทําไมอา้านั่งด้วย เป็นการปฏิบัติบูชานั่งด้วยฉันทะความยินดีพอใจฉันทะความยินดีพอใจมันกับความโลภเนี่ยคนละอย่างกันนะมีแะไรเรียกว่ากิเลสมาความโลภอยากได้สมาธิอยากได้จัดจัดก็ความโลภนี่แหละมาปิดกันปิดเราไม่ให้สงบท่านจึงตัดเอาไว้ว่ายิ่งละยิ่งรวย นั่งสมาธิต้องละออกละความคิดออกละกามมชันทะาออกละความง่วงเหงาเหานอนออกละความคิดฟุ้งซ่านออกยิ่งละยิ่งรวยยิ่งอยากยิ่งไม่ได้กินความอยากนี่แหลมะมาปิดกั้นจิตเราไม่ให้เห็นทันิีผ่านให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละ ยิเลตมานขันธมานนั่งไปไม่นานก็ปวดแช่งปวดขาขึ้นมาก็ยืกๆยักยยักยักยืยักยเอาไปมาเนื้อเต้นยืก๊ยักยักยักเงื้อไหลใครแตกนั่นะไปกลัวมันทำไมมันไม่ตายดอกตายจะให้พระกุศลรามให้ไม่ได้เอาเงินเปือนอยู่ที่เขานี่ก็ไม่อดไม่อยากไม่ได้เอาเงินคนที่มาปฏิบัติอยู่นี่ตายไป มาอยู่ด้วยนีดด่ตายไปสองคนแล้วสามคนแล้วสามกับพระไม่เอาเงินอุตรส่าหให้ฟรีพืนก็หามาเผาให้ฟรีๆไม่ได้เอาให้มันตายโลดอย่าไปกลัวมันเนี่ยนั่งยึ๊ยักยักยักยั ก, ย ก, ยกอันนั้นอันนี้ไปอะไรอ่ะนี่แหละกิเลสขันามานมานก็คือกิเลสความเจ็บปวดในธาตุในขัน ขันห้าเนี่ยนะคือมานอิธนาขั น, เ, นเกิดขึ้นก็จะออกจากสมาธิแล้วดีนี่แหละมานมาลบมาสู้กับเราดีแท้วันปวดนี่ย น, นะมันจะได้ลบ ก, กับมันนี่แหละมีค้าสึกอะ้าสึกเกิดขึ้นแล้วอย่าไปหนีมันทีนี่ยสู้ให้มันเอาให้มันชนะมันอ้าศึกก็คือกิเลสคือมาน แม่แต่พระพุทธองค์ก็ไปลบสู้กับพวกมาร น, นี่อยู่ไม่ใช่เพียงแต่เรานะท่านจึงบัญญัติมารห้าขึ้นมากิเลสมารขันธ์เมารอันที่สามก็อภิสังขารมารออกความคิดพุ่งสั้นนี่แหละอากานกลางจิตไม่ให้สงบนีนอยอภิสังขารมารใหญ่ที่สุดในการนั่งสมาธิก็คือความคิดนี่แหละอภิสังขารมาร ต่อไปก็เทวบุตรมา น, นั่งไปนั่งมาก็ผู้หญิงก็เห็นเทวดาลงมาเทวบุตรลงมา้นานตัวเห็นภาพนั้นภาพนี้นิมิตเห็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมาก็ออกจากคำมูลกรรมออกจากความสงบไปดูภาพที่เราเห็นน่นี่ก็มานุ่ยชายก็เห็นไปเห็นมาเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาลงมาหาตัว พระก็เหมือนกันผู้ชายก็เหมือนกันนะเห็นสัจจะว่าเห็นทาจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่ไม่ยินดียินร้ายมันอะไรเกิดขึ้นก็ช่างแล้วแต่อะไรจะเกิดอะไรจะตายต้องทำอย่างนี้สู้กับมานนะเราไม่ตายแร้วมันเกิดแล้วมันก็ตายลงมันเกิดแล้วมันก็ดับเท่านั้นรู้เท่าเอาทันมันอย่างนี้นอกจากนั้นก็มัจจุมาณแล้วตัวที่ห้า มันมาลบมาเลวกับเราเอาละเอาละอ่าวันพรุ่งนี้ถึงทานอนซะก่อนพักขวัญซะก่อนใจเย็นๆว่ า, างนันนะนี่แหละคนไม่มีสัจจะตั้งสัจจะไว้แล้วต้องสู้ให้มันหัว่าเด็ดตีนขาดเลยไปเชียงใหม่คราวที่แล้วมนะีโยมคนหนึ่งอ้วนอวนนิดหน่อยมาเล่าถวายทีแรกมันปวดอย่างนี้แหละ เขานั่งสามคืนไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนกลางคืนไม่นอนกะว่าให้มันตายเลยเขาทำได้จิตสงบเลยแต่ครั้งเดียวนั้นมารไม่กล้าเข้ามาแย้มเลยเขาว่านั่งอย่างไงอย่างไงก็ไม่ปวดอีกเราชนะมารได้เราก็เหมือนกันมีเนื้อมีหนังธาตุสีดินน้ามลมไฟเหมือนกันกันกบเขานั่นแหละใจเหมือนกันเนั่นแหละ ทำไมจะทำไม่ได้อนี่แหละขั้นสมาธิดับนิวรทํธรรมห้าดับมานห้าลงได้กิดก็เวิ้งลงไปถึงอปปนาชาญอปปนาสมาธิลมหายกายไม่ดีไม่มีนี่แหละผู้ที่ได้สมาธิใหญ่ลมหายกายไม่มีเป็นเครื่องหมายอปปนาชาญ ีแต่ความรู้กับอุเบกขาอยู่เท่านั้นรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยเอาสติไปรู้อยู่กับตัวนั้นเอ okay. าแหวมันอิ่มตัวระยะนั้นเรามองเห็นอยู่ว่าจิตว่างเป็นลักษณะอาการอย่างนั้นอย่างนี้แต่จิตไม่นึกคิดปรุงแต่งมันดับดับนิวร์ทำห้าได้แล้วมันดับอุตจกักจกุจจะมันดับสังขารความนึกคิดปรุงแต่งลง มีแต่ความรู้เฉยๆท่นจึงเรียกว่าวิสังขารวิสังขาร ม, มันเรียกชื่อใหม่ว่าวิสังขารไม่มีสังขารไปพปุงแต่งใจได้หรือเรียกว่าพุทธโธ น, น, นะนะเป็นผูลูรู้อยู่เฉยๆนะนะมันก็มีร ะ, ะยะรู้อยู่นั่นไม่มีตัวมีตนสัตว์บุคคลนะว่างเป็นธรรมชาติอยู่นะมีแต่รู้กับกับความว่างอยู่แค่นั้นนะ ไม่ใช่อย่าไปเห็นอันนั้นอันนี้นะเห็นก็เห็นความว่างนั่นแหละเห็นก็เห็นความรู้นั่นแหละว่างที่สุดนึงก็เรียกว่าพุทธโธว่างที่สุดก็เรียกว่าธรรมโมผู้ที่รู้ว่าว่างผู้ที่รู้ว่ารู้อยู่นึงก็เรียกว่าสังโฆนี่แหละพุทธโธธรรมโมสังโฆนั่นเป็นรู้รู้อยู่เฉยๆจิตดวงนี้ตายไม่เป็นรู้รู้ตั้งตรงอยู่ น, นั่นนะ ตั้งตรงตั้งมั่นอยู่นี่ยนะจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิน่ะจิตตั้งตรงตั้งมั่นนะ่านเรียกว่าทีติจิตจิตเดิมแท้มันจะตั้งตรงอยู่เรียกว่าทิติแปลว่าตั้งอยู่แล้วจะเห็นความรู้รู้รู้อยู่รู้ไม่ขาดสัคขาดตอนน่รู้อยู่อย่างเดียวน่ะตายไม่เป็นนะเกิดดับไม่เป็นมีแต่รู้รู้อยู่อย่างเดียวแล้วจึงเรียกชื่อใหม่ว่าอมตะจิตอมตะธรรม ทำที่ตายไม่เป็นจิตที่ตายไม่เป็น ม, ม, มัตตธาตุมตตธรรมนั่นน่ะเราเห็นผู้ตายไม่เป็นแล้วเราเห็นจิท ด, ดวงที่ตายไม่เป็นแล้วนี่แหละสารหนาที่พึ่งแล้วก็ไปพึ่งกูกับผู้ตายไม่เป็นนี่แหละต้องทำอยู่อย่างทำให้มันเห็นถ้าได้อย่างนี้จิตอีนตัวตอนที่มันเข้าสมาธิอยู่มันจคะขันห้าออกวางจากขันห้าออก ไปเป็นเอกเทศของเขาเป็นหนึ่งเดียวอยู่จึงเรียกว่าเอกกัดขา้าลมหรือเอก ก, กัดข้ากาจิตรู้รู้รู้เป็นหนึ่งเดียวของเขาอยู่เงี้นไม่ไปอุปทานคันห้5วางคันห้าทีนี้เมื่อกิจอิ่มตัวแล้วมันจึงจะวางมันจึงมันจึงจะออกจากสมาธิถอยออกมาเห็นลมหายใจหยาบขึ้นเห็น กายของเราหยาบขึ้นนั่งอยู่เนีก็เรียกว่าจิตถ้อยออกจากสมาธิถอนออกจากสมาธิแล้วก็มาอุปทานอารมให้ใจมายึดอารมให้ใจเป็นของมันมายึดเอากายเป็นของมันอีกมายึดเอาค้อนขัขนห่านมาอุปทานขันห่าเอาอีกอย่างเดิมเหมือนเดิมตัวเราก็จึงมีขึ้นตัวเรานี่มีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราว พานอนหลับตัวเราก็ไม่มีอาวเข้าสมาธิตัวเราก็ไม่มีอมมมพอตื่นขึ้นตัวเราก็มีพอออกจากสมาธิตัวเราก็มีท่านจึงว่ามีเป็นบางครั้งไม่มีเป็นบางคราวนอนหลับเราไปไหนล่ะฮะเข้าสมาธิก็เราไปไหนล่ะไม่มีให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละสมาธิถ้าใครได้ฌานหนึ่ง สองสามสี 2, 3, 4, น่นี่ก็เห็นอารมณ์พระนิพพานเรียกว่าได้รูปฌานรูปสมาธิก็เห็นพรมมาโลกรูปพรมตั้นรูปพรมเห็นโลกมิติใหม่อีกกามะโลกคือโลกที่มีตาหูจมูกลินกล้นกายใจอยู่เรียกว่ากามะโลกรูปโลกมีแต่รูประจิตไม่มีตามมีหูนะ มีมีก็มีแต่ตาใจตาจิตตาใจหูจิตหูใจนั่นแหละหูสติปัญญาตาสติปัญญาเนีย่ยนั่นเรียกว่าเห็นโลกมิติใหม่คือพร ม, มะโลกเห็นตั้งแต่เรายังไม่ตายพร ม, มะโลกรู้จักแต่เรายังไม่ตายถ้าตายไปแล้วเราจึงจะไปเกิด อ, อยู่บนพร ม, มโลกจริงเว้ยปีติสุขอยู่พร ม, มะโลกนั่นเหมือนกับอยู่ในพระนิพพาน ท่จึงเรียกว่านิพานพรกว่าเป็นพระนิพานคนก็เลยมาหลงติดอยู่ในฌานในสมาธินี่แหละ ว, ว่าเป็นพระนิพานนี่สมาธิมันก็ย่นพบย่นชาติได้ถ้าใครได้แล้วก็ไปเกิด อ, อยู่พรมะโลกนะให้เข้าใจอย่างนี้พรมะโลกนี่มันมีเวียนว่ายใต้เกิดหมดอายุการบําเพ็ญภาวนามานั่งสมาธิเอาอย่างนี้เล้วยกว่าบําเพ็ญ ภาวนาหมดอายุมันหมดอายุเป็นก็ลงมาเกิดอีกคือเก่ายังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ท่านจึงให้ดับโลกกา ม, มาโลกรูปโลกอรูปโล ก, ล ก, ลกขึ้นไปอยู่โลกที่ตายไม่เปลี่ยนคือโลกุตตระภูมิเหนือโลกทั้งสามจะไปได้ก็คือต้องอาศัยศีลสมาธิปัญญา ปัญญาต้องเป็นปัญญาโลกุตละปัญญาเหนือโลกขึ้นไปดับโลกสามได้ปัญญานี้จึงจะเป็นโลกุตละปัญญานี่แหะศีลสมาธิปัญญานปัญญานี้ก็เป็นปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ไม่ใช่ปัญญา โลจียะปัญญาอันนี้มันเป็นโลกุตตะปัญญานะปัญญาอันนี้เป็นปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจสี่ิ่งจะดับโลกสามนี้ได้นะนี่แหละท่านเรียกว่ามรคองคเปรได้แก่ศีลสมาธิปัญญาปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชานะปัญญานี่จะปราบขี้เล็ดอย่างละเอียดอันได้แก่ อุปธิมีเวกอันไหนแก่อุปธิอุปธิคืออะไรอุปธิก็คืออุปทานนั่นแหละอุปธิมันก็ยมาจากอุปทานนั่นแหละอุปทานอะไรล่ะอุปทานขันห้าถ้าดับขันห้าได้ก็ไม่อุปทานขันห้าทำที่สุดแห่งทุกได้โดยการไม่ยึดไม่ถือนั่นไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่าไม่อุปทานขันห้านั่นเบื่อนายใครจะ จะไม่ยึดไม่ถือขันห้าก็ต้องรู้เท่าเอาทันขันห้าเบื่อหนายในขันห้ า, หนนหาต้องเห็นขันห้าด้วยอริยสัจสีรู้ขันห้าด้วยอริยสัจสีรู้อริยสัจสีด้วยยานสามมันถึงจะดับได้เป็นโลกุตรปัญญาปัญญาที่รู้จักทุกต้องรู้จักทุกต้องรู้จักเหตุเกิด แห่งทุกต้องรู้วิธีดับทุกขต้องรู้แนวทางปฏิบัติเพื่อดับทุกขทุกทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใกล้กับใจใกล้กับใจย่นย่อลงมาเหลืออยู่ใจดวงเดียวนี่ทุกทั้งหลายก็ย่อดย่อดลงมาอยู่ขันห่านท่นจึงพูดเป็นภาษาพระยุสานว่าทุกทั้งหลายนย่นย่อลงมาเหลืออยู่ขันหานยับลงมาเหลืออยู่ขันสี ทุกอยู่ในโลกนี่มาห้มไข่อยผู้เดียวไปนี่คือผู้ใดออมาห้มไข่อยผู้เดียวกันทุกทั้งหลายยนย่อลงมาเหลืออยู่ขันหาหยับลงมาอยู่น้มซียู่ขันซีทุกอยู่ในโลกนี่มาห้มไข่อยผู้เดียวไปก็คือใจคือเล่านมาห้มอยู่เล่าผู้เดียวเนี่ยเนี่ยมาเหลืออยู่ตัวนี้นห่ะ เน่ยหยุดตัวเราคนเดียวนี่นะเราเนี่ยแหละเป็นผู้ทุกข์เรานี่แหละเป็นผู้ไปอุปทานเอาคันห้าถ้าคันห้าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็บมันเกิดมันดับพอไม่มีใครไปอุปทานเอาคันห้าว่าที่โดยยอดที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือนะีอไม่ยึดไม่ถือคันห้าต้องเห็นคันห้าด้วยอริยสัจสีอีก เห็นว่าขันห้ามันเป็นทุกข์นะมันเกิดมันดับอยู่นั่นนะเนี่ยปัญญาปัญญาไม่ได้อยู่ที่อื่นเนี่ยท่านเรียกว่าปัญญารู้เท่าสังขารคือยอดแห่งวิชาสังขารคืออะไรละสังขารขันสังขารก็คือขันห้านี่แหละดับขันห้าได้ปัญญารู้เท่าสังขารรู้เท่าขันหานะดับขันห้าได้ ขั้นห้านี่มันเกิดกิเลส ท, ทั้งหลายนี่นะอาสาวัคกยจญาณอาสาญาณสิ้นไปเหีง้งอาสาวักิเลสอาสาวักิเลสคืออะไรล่ะกามาสาวะนี่ภาสาวะอวิชชาสาวะนี่กิเลสพวกนี้มันเกิดจากขั้นห้าขันห้าคืออะไรขันห้าคือกายกับใจอะไรคือกาย ตาหูจมูกลิ้นกายอะไรคือใจน้ำสีนั่นแหละคือใจตาหูจมูกลิ้นกายสงข้อเรียกว่าลูกใจก็สงข้อเรียกว่านา้ำลูกกับน้ำเนี่ท่านเรียกว่าขันห้าขันห้ามันเกิดเองดับเองมันเกิดได้ยังไงต้องรู้ตาเห็นลูกอยยตตะพันะภายนอกภายในกระทบกันนะั่น อายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรมมลมอายตนะภายในก็คือรูปเสียงโอตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมันกระทบกันรูปภายนอกกับรูปภายในกระทบกันเกิดวิญญาณรู้ขึ้นมานี่ยก็เรียกว่านา้ะรูป ก, กับน้ำนี่แหละคือขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ดับตายเห็นรูปแล้วก็ดับหูได้ยินเสียงแล้วก็ดับแต่มันไม่ดับ รูปเสียงนั้นไปนอนเนื่องอยู่ในสันดานะในจิตแตสันดานคือนอนอยู่ในใจของเรานี่ยแหละจึงเกิดจิตปรุงแต่งขึ้นมานะอยากได้รูปนั้นเสียงนี่ขึ้นมานี่ยแล้าความอยากเกิดขึ้นก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนนี่แหละอวิชชาโ้นราคานุสัยนี่แหละทีมาจากก ร, รมมาสว่านอันเดียวกัน การเกิดยินดีพอใจขึ้นมาก็เรียกว่าการ ม, มาราคาหรือราคานุสัยตามนอนในใจเราอยู่นี่แหละที่เรียกว่าอุปธิอุปทานขันหานั่นอุปธิวิเวกนั่นคือกิเลสอันได้แก่กา ม, มาสวะมันกร ม, มาราคานุสัยนะี่ ไปนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราน่นะจิตสันดานของเราน่ยนะมันไม่อยู่ที่อื่นนะเนี่ยแหละขันธ์ห้า 1, อ่าถ้ายินรายไม่พอใจในสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินเป็นต้นนะ่ยนะก็เกิดอารมณ์เสียขึ้นมาโกรธขึ้นมาเรียกว่าปฏิคานุใสตามนอนปฏิคานุัยกับภาวานุใสก็อันเดียวกัน นอนเนื่องอยู่ในจิตต่สันดานนี่แหละความโลภความโกรธเรียกว่ากา ม, มาสะวะภาวาสะวะทำไมมันยังเกิดขึ้นมาเพราะอาวิชชาสะวะเพราะรู้ไม่ริงเพราะไม่รู้จากขันห้าตามความเป็นจริงเพราะไม่รู้จากสังขารไม่รู้จากความเกิดความดับดับไปแล้วก็ยังมาอุปทานเอาไ วัววิเลศอนุใสจึงไปนอนเนื่องอยู่ในจิจสันดานกิตสัญญาณดานของเราเหมือนตะกอนนอนอยู่ในจมอยู่ในกน้นโอ่งก้นตุม่มเปรียบเทียบให้ฟังเมื่อเรามารู้เท่าขันห้าดับขันห้าได้ขันห้าเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งมันเกิดวันละกี่ครั้งตา้เห็นรูปก็ได้เกิดครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงก็ขันห้าเกิดครั้งหนึ่ง ขันห้าคือตัวเรานี่ยแหละเราก็เกิดเห็นขึ้นมาเราก็เกิดได้ยินเสียงขึ้นมาเนี่ะเกิดวันหนึ่งวันหนึ่งเราเกิดกี่ครัง้งตายกี่ครัง้งอืมให้เรามาพิจารณาโดยแยบขยไขยให้รู้ว่าขันห้านี่มันทำงานกายกับใจมันทำงานอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอัญญะมัญญะปัจจัย เป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดรูปกับนามกายกับใจิ่งอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับอย่อยางนี้มันเป็นเองอยู่อย่างนี้เรียกว่าอริยสัจนี่ปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่นั่นนะมันเกิดเองดับเองอย่างอย่างนี้ขั้นห้านั่นนะถ้าไม่ไปอุปทานเอามันก็ไม่มีอะไรมันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเสมอ โลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเนั่นเธออย่าไปตื่นโลกตื่นทองสารนะขันห้าเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุเน่นะเธอจะไปหลงขันห้าขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้นี่มันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้วันหนึ่งวันหนึ่งมันก็เกิดดับอย่างนี้เธออย่าไปตื่นมันหมุนเวียนว่ายใต้เกิดอย่างนี้จึงเรียกว่านันไม่เที่ยงนั่นนะ โลกไม่เที่ยงขันห้าไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วก็ดับแล้วก็หมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับหมุนไปอีกเกิดแล้วก็ดับอยู่อย่างนี้นี่ปัญญารอบรู้ในกองสังขนันรอบรู้ในกองขันห้านี่ดูขันห้าด้วยอริยสัจสี่รู้ว่ามันเป็นทุกทุกเองของมันอยู่อย่างนี้ถ้ามันเกิดมันดับแล้วก็ยกใส่อริยสัจจริงใส่วิบากขันวิบากกิจเรียกว่าทุกขสัจ ท่นให้กำหนดรู้อย่างนี้เพื่อไม่ให้อุปทานขันห้านะทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นะั่นเราได้รู้แล้วนะั่นปริน ญ, ญาคือรู้แล้วปารินเยย์คือกำหนดรู้นะั่นรู้ว่ามันเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในขันห้ามันเกิดวันละกี่ครั้งก็ชั่งหัวมันขันห้านั่นนะนะไม่มีใครไปถือเอา มันก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วแต่มันจะเกิดจะดับแล้วแต่อะไรจะเกิดจะตายไม่มีใครอยู่ในขันห้าไม่มีใครเกิดใครต า, ตายดอกต้องปัญญารู้เท่าอย่างนี้ดับขันห้าได้ปะเห็นพระนิพพานเท่านั้นขันห่ามันจะหมุนเป็นวัฏจะกรสงสารอยู่ น, น, นี่เกิดแล้วกว็าตายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ เมื่อเรารู้เท่าเอาทันขันห้าก็ไม่อุปทานเอาขันห้าไม่กัมหนัดขัดเครืองในขันห้าก็รอจิตอันใดไม่กัมหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ในขันห้าจิตอันนั้นก็เป็นโลกุตรลัยจิตนั่นอยู่เหนือโลกอยู่เหนือขันห้าพอดับขันห้าได้เราก็ขันห้านี่แล้วมันบังพระนิพพานเอาไว้ฮะ นี่อย่างเดียวถ้าดับขันห้าไม่ได้ก็ไม่เห็นหละพระนิพพานถ้าอยากเห็นพระนิพพานก็ต้องดับขันห้าให้มันได้นี่เมื่อเรารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้เราดับโลกดับอารมณ์ดับขันห้าได้ด้วยความไม่กำหนัดขัดเครื่องในขันห้ากำหนัดคือยินดีอา ม, มาสะวะขัดเครื่องคือยินไลคือโกรธคือปฏิฆะคือภวาสะวะ อวิชชาสวะก็ดับความหลงขันห้าได้อวิชชาสวะนะมันก็หมดแค่นี้อาวนาไปหลายปีหลายเดือนก็มาหมดอยู่แค่นี้นะเรียนจบวิวิชาธาตุวิชาขันมันก็หมดเรื่องเท่านั้นเองพระพุทธองค์ก็ตัดสุ้ด้วยอริยสัจสีนี่นะไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกอริยสัจสีคืออะไรล่ะอื <c oughs> คือทุกนันล่ะทุกอะไรล่ะทุกทั้งหลายก็ย่นย่อลงมาเลี้ใกล้กับใจเลี้ยอยู่ขันห้าเนี่ยขันห้าเกิดดับนั่นแหละคือทุกนั่นนะเ อ, อเมื่อขันห้าเกิดดับใครเป็นคนทุกอ่ะใจนี่แหละไปทุกอ่ะใจไปถือเอาขันห้าพอดับใจลงได้มันก็หมดเรื่องเท่านั้นนะวันนี้ก็พูดย่ยให้ฟัง พอเอาไปเป็นแนวทางพิจารณาดูให้เห็นว่าขันหานี่มันคงไม่ยากดับไม่ยากไม่เหลือวิสัยต้องมาจากศีลสมาธิปัญญาเรียกว่ามรสมงธีศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันมารวมกันถึงจะฝาดฟันกิเลสท่ากิเลสให้ตายท่ายกิเลสให้ออกได้นะเอาละ เอวังเอวังปดตัวนี้แม่น